อาจารย์ครับการวัศการครับเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยี่สิบสามนะครับผมเมืมาชาวพระอาจารย์ปินตบคนเยอะไหมครับอาจารย์ครับวันนี้ก็หกร้อยแปดสิบโอ้คู่กันที่ตรงับพระกับวันอาทิตย์ตรงกันครับผมแล้วทางบ้านก็อีก อีห้าร้อยประมาณห้าร้อยพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับอาจารย์พห้รครับผมแล้วฝนตกไหมครับอาจารย์ครับไม่ตกวันนี้มันไม่ตกครับแล้วตอนบ่ายฝนเยอะไหมครับอาจารย์ตอนบ่ายที่มาที่นากุติก็ประมาณสอง้อยสามสิบกว่าคนครับถ้ารวมทั้งบ้านด้วยก็ประมาณแปดร้อยห้าสิบครับผม ตอนนี้ก็ชมกันอยู่ประมาณหกร้อยกว่าคนครับเจ็ด้อยคนครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้อยากฟังเรื่องมักน้อยสันโดษครับนําความสุขมาให้ครับอาจารย์ครับจะกลับขอพระเมตตาพอาจารย์ครับเพราะความการมีน้อยมันก็ทุกน้อยนี่ใช่ไหมครับเพราะในโลกนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเป็นเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาทั้งหมด ภาพยอสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นตอนนี้ยิ่งมีมากยิ่งทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยทุกตั้งแต่ตอนที่อยากจะหาอยากจะได้ก็ต้องทุกจากจากการดิ้นรนหากันพอได้มาแล้วพอได้มาแล้วก็ต้องทุกต่อการดูแลรักษาแล้วพอเสียไปก็ทุกอีกทุกทั้งสามตอนนทุกตอนแรกแ ต, ตอนที่อยากจะเป็นรัฐบาลกันนี้ทุกวิ่งเต้นกันข้าว้นหนึ่งหมด เขไม่แน่น้ำไับอนนี้รับประกันได้เลยคนที่อยากจะเป็นนายกเนี่ยเวลานี้น้ำไม่หลับใจนี่ทุกข์อือแล้วก็พอได้มาเป็นนายกก็ต้องมาทุกข์กับการรักษาเขาอีกเดี๋ยวคนนั้นก็จะมาฟันคนนี้ก็จะมาฟันขาเขาอี ก, กแล้วเดี๋ยวก็พอคนตาแหน่งไปก็ทุกข์อีกทั้งมากน้อยอ่ะดีสุดมีน้อย มีน้อยก็ทุกน้อยมีมากก็ทุกมากไม่มีะไรก็ไม่ทุกเลยเป้าหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาก็คือการไม่มีอะไรเลยนี่บานังปรุงสุญญ์คำว่าสุญญนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยจิตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นถ้ามีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีมีร่างกายก็ต้องทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการแก่เจ็บตายของร่างกาย ไม่มีร่างกายก็สบายเป็นประมังสุขแขังไปอัน hmm. นี้คือส่วนสันโดดก็คือยินดีตามมีตามเกิดไม่จู้จีจ so, ุกจิกเขาจะเลือกให้เป็นนายกก็ได้ไม่เลือกให้เป็นก็ได้ไม่เดือดร้อนได้ทั้งนั้นสันโดดอะไรยาครับอาจารย์ครับมักน้อยกับสันอะไรยากกากันครับอาารยันโดดนี่ยากกว่านะ ยินดีนตามมีนาเกิดอ๋อไม่มีเลยก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แก่ก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้ได้ไดทุกอย่างครับผมอมาจารย์ทำสองข้อนี้ก็บรรลุทำแล้วสิครับาอาจารย์นั่นแหะความนี่แหละคือคือคือเคลนดลับของการมารลุธรรมก็อยู่แค่สองหัวข้อนี้แหละา ม, มากน้อยสันโดย ครับผถ้าตีความแตกเข้าใจความหมายของความมากน้อยสันโดษที่แท้จริงคือจิตนี้ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรถ้าต้องยุ่งเกี่ยวก็ยุ่งเกี่ยวกับยินดีตามมีตามเกิดยังไงก็ได้อืไม่มีก็ได้มีก็ได้อือยู่ก็ได้ตายก็ได้อืฟังดูง่ายนะครับอาจารย์การทน่าจะปฏิบัติได้ได้ยากเหมือนกันครับสำหรับคนทั่ว เออเป้าหมายก็คือยู่ตรงนั้นคนที่ปฏิบัติได้แทบเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับเขาวัวอคนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็คือเหมือนพวกขนวัววัวตัวหนึ่งมันมีเขาแค่สองอันนะแต่มีขนนี่เป็นน้อยครับนที่เข้าถึงธรรมถึงนิพพานได้ก็เป็นเหมือนเขาวัวพวกเขาวัวพวกที่ยังเข้าไม่ถึงก็เป็นพวกเหมือนพวกขนวัว เพราะไม่เข้าใจคำความหมายคําว่ามากน้อยสันโดษเป็นยังไงครับถ้าเข้าใจบ้างมันก็ความทุกข์มันก็ลดลงไปตามลําดับแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเข้าใจแล้วทําได้ก็เข้าใจอย่างเดียวแต่ยังทําไม่ได้มันก็ยังไม่ลดนะมันต้อลดตัวความอยากความโลภนี่ยอยา่างน้นมากๆอยางมีมากๆอยากเป็นมากๆลดตัวนี้ลงแล้ไปถึงขั้นสุดท้ายก็สันโดษ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็จริงมันกไปคู่กันนะครับคล้าคล้ายกันฉันอยากมีดีทีสุดเพราะที่คือหมอจบแพทย์ใหม่ใหมหมอเป็นโสดใช่ไหมครับทุกทุกคนเดียวทุกกระร่างกายอคนเดียวใช่ไหมครับต่อมาก็มีภรรยาตอนนี้ก็ตองทุกกับภรรยาแล้วต่อมาก็มีลูกก็ต่อาทุกกับลูก มีรายก็ต้องทูกกับสิ่งที่มีนะถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ถูกได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ผ ม, ผมก็ไปไปถึงคำถามของเพื่อนๆเลยนะครับอาจารย์ครั บ, บ, รบแต่น <fort> ่าจะมีคำถามเกี่ยวกับมารน้อยสันโดนมาอีกครับอาจารย์ครับ คุณปรินครับอาจารย์ครับบอกว่าศีลข้อที่สิบก็มีการห้ามพิสูสนาสเนนอยู่แล้วแต่ทาไมพระถึงยังสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ครับและควรมีการแก้ไขหรือไม่ครับเพราะเงินก็มีทั้งคุณและโทษครับก็ตอนต้นเนท่านกห้ามไม่พระมีเงินมีทองเลยแต่ต่อมาก็มีการอนุโลมผ่อนผันพอมีพระที่มาบวชบางคนเป็นคนที่เขาอาจจะมีฐานะสูงส่ง เขาไม่มีความตัวอดบททนเลยคนที่เป็นชาวนาชาวไร่อาจจะต้องมีอาหารพิเศษหรือยาพิเศษหรืออะไรต่างๆก็เลยขออนขออุญาพระเจ้าว่าขอให้มีเงินใช้ในการนีน้เหล่านี้คือเปัจจัยสี่สามันับบริโภคก็ให้มาใช้กับเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายได้อันนี้ก็ พรองคองนุญาแต่ห้ามไม่ให้ภาพภิกษุครอบครองเป็นทด้วยตัวเองให้ฝากไว้กับศรัทธาที่เชื่อถือได้เราได้เอาไว้เอาวัชก่อนให้เขาช่วยเก็บไว้ให้แล้วเวลาถ้าต้องการอะไรในในปัจจัยสี่ก็อบอกเขาให้เขาจัดหามาให้แต่ถ้าเขาไม่จัดหามาให้ก็ว่าของไม่ได้เพราะมไม่ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของผู้ให้ ก็ไปบอกผู้ให้ว่าอย่าเข้าต่อไปอย่าฝากเงินไว้กับคนนี้นะเพราะคนนี้เขาปากไว้แล้วเขาไม่ยอมให้เวลาต้องการของเขาไม่ซื้อให้เขาพูดได้ทานี้หนึ่งแต่ไม่ให้ครอบครองเอาไว้ที่ในสมัยนี้เราก็มีธนาคารก็เปลี่ยนเหมือนวายาวจักรก่อนเอาเงินฝากไว้ไหมธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้ที่น่าไว้ใจกว่าคนคนอย่างนี้ไว้ใจไม่ไปได้เลย อากนั้นมา่าเรางทีเบี้ยวกันนะน่ะ <c oughs> โดนมาหลายไลนแล้วเราเพ่งน้ำไปคูนอาจารย์ก็โดนแล้วพราะอันนี้มันเป็นของร้อนเป็นของที่ไม่เข้าใครออกใครครับผมพออยู่ในมือเขาแล้วทีนี้กิเลสก็ออกมาแล้วขอยืมใช้ก่อนอยืมไปใช้ก่อนพอใช้ไปแล้วก็ไม่มีเงินน้ํากระจายพอเรียกใ้ พอ เ, เ, เรียกให้ไปใช้เรียกให้ไปใช้ซื้ออะไรก็ไม่มีเงินซื้ออะไรเบี้ยวไปนั่นฝากธนาคารดีที่สุดธนาคารไม่ค่อยเบี้วเท่าไหร่รก็ยังถือว่าอยู่ในในกรอบตามพระวินัยอยู่เพียงแต่ว่าของนี่ยอมาใช้ต้องใช้ในตามที่คนรจะใช้ก็คือใช้กับสําหรับปัจจัยสี่ของพระถ้าพระขาดแค่อะไรเกี่ยวกับการดูร่างกายเนี่ย ก็มาใช้ได้แล้วถ้ามีเหลือถ้าจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เอไปชรทำบุญทำทานต่อได้เนื้อไปส่งข้อพ่อแม่ได้อยู่ถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีกําลังที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ก็เลี้ยงดูได้เพราะว่าเจ้าอนุญาตให้พระเลยงดูพ่อแม่ได้อนนนุญาตใ ห, อาหา้อาหารบินบาบนาะให้กับพ่อกับแม่กินได้แค่มัก็ก็อยู่ในข่ายแบบเนี้ยอยู่ในกรอบแบบเนี้ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เรื่องต้กับกับร่างกายของตนเองอถ้าไม่มีจีวรไม่มีกายถวายจีวรผ้าขาดนี้เราซื้อจีวรมาใส่กุฏิหลังคารั่วนึกไม่มีนึกไม่มีกายมาซ่อมให้เราต้องซ่อ G all, ม, ม, ม, ม, ม, มอเองก็ถ้ามีเงินก็จ้างคนามาซ่อมให้ได้อยู่ป่ยวยไข้โรงพยาบาลบางทีบางแห่งโรงพยาบาลเขาก็บางแห่งเขาก็าา เ, ากเก็บตังบางแห่งเขาก็ไม่เก็บตัง ถ้าเจอแห่งที่เขาเก็บตามก็าต้องจ่ายเขาก็ต้องมีเงินถ้าจ่ายสำหรับของปัจจัยสี่ของพระนี้ท่านนีญให้แล้วถ้ามีเหลือถ้าอยากยากไปทำบุญทําทานก็ทำได้แต่ถ้าไม่ใช้แบบกินอย่างอื่นนี้ไม่ควรใช้นะท่านั้นแะ จะปรงใจอย่างไรครับกับการบริหารประเทศที่ไม่ชอบทําเพราะว่ามีความเครียดครับอาจารย์ออต้องว่าถ้าอยากจะให้ผู้บริหารประเทศเป็นคนดีก็ต้องเลือกผ้าอาหารเท่านั้นะพ้าเรียบบุคคลนะั้นถ้าไม่มีผ้าเรียบบุคคลก็ทําใจเถอดมันเป็นเรื่องปกติของโลกนี้เพียงแต่ว่าจะจะดีมากมีน้อยเท่านั้นจะชั่วมากชั่วน้อยเท่านั้น แต่คนเราทุกคนมันมีกิเลสถ้ามีกิเลสแล้วพอมีอำนาจแล้วกิเลสมันมกักจะเอาเอาเอาอำนาจไปใช้ตามตามความต้องการของกิเลสมากกว่าต่อให้ใช้เรียกระบบไหนก็ตามมันก็เหมือนกันทนะั้งนั้นทุกประเทศมันมีปัญหาเรื่องผู้นํำนะผู้ผู้มังบริหารประเทศนะเป็นแต่จะจับได้หรือจับไม่ได้เท่านั้นเองแต่มีทุกประเทศทุกแห่ง ผมมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อทั้งวันคืนซึ่งท่านป่วยติดเตียงไม่รับรู้อะไรมานานกว่าปีครับงานก็การก็ต้องทิ้งไปผมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่พอมาปฏิบัติดูแลพ่อแทบไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่เคยทํานั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์แทบไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองดูแลพ่อเพราะพ่อนมีเสมหะ <c oughs> ติดคอตลอดต้องคอยดูแลดูเสมหะและคอยระวังหลายเรื่องพอเวลาจะภาวนาก็หมดเร็ ว, ห ม, รวหมดแรงบางครั้งอาหาร มาดูมือไหนมือไหนเป็นมือไหนผมเป็นลูกคนเดียวครับขอคําแนะนําพระอาจารย์ผมควรจะปฏิบัติธรรมได้โดยวิธีใดบ้างที่จะไม่ต้องทิ้งพ่อไปแต่ด้วยจิตใจของผมมีความสุขภูมิใจในตัวเองที่ได้ดูแลพ่อด้วยความเมตตาและรักพ่อสุดเหมือนเขาจะไม่รับรู้อะไรแต่ผมก็กอดเขาเสมอครับกราบขอพระอาจารย์ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติธรรมอันหนึ่งก็คือการเมตตาดูแลพ่อรับใช้คุณพ่อ เหมือกับพระอานนุ์เนี่ยรับใช้พระพุทธเจ้าแล้ยี่สิบกว่าปีด้วยกันเสียสละดแทนที่จะไปปีกวิเวกปฏิบัติหรุพนพ้นภายในสามเดือนท่านก็ติดอยู่กับพระพุทธเจ้าไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าจากไปแล้วถึงยังมีเวลาไปปฏิบัติปีกวิเวกสามเดือนถึงได้บรรลุเพราะฉะนั้นการเลงดูการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งอยู่แล้วเพราะเมื่อมันมันถึงวาระของเรามัน เราต้องคิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเรียกว่ากรรมหรือว่าเป็นเรื่องของวาละที่เราจะต้องจะต้องทำสิ่งนี้เรวก็ควรจะทำด้วยความยินดีทำด้วยความเมตตาทำด้วยความเสียสะละเพราะการกระทำเหล่านีนะ้จะเป็นพื้นฐานให้เรามีพลังเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคตเวลาที่เราไม่หมดภาร ะ, ระในการเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเราก็จะสามารถ เอาบารมีที่เราสร้างอยู่ในขณะที่เราดูแลพ่อแม่นี่ไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปได้อย่างผ้านวลเ น, นี่พอไปปฏิบัติจริงๆเข้าสามเดือนก็บรรลุได้ฉะนั mm ้ hmm. ขอให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเถิดแล้วมันจะตอบสนองเราในในวลาะต่อไปเมื่อถึงเวลาอันควร ถ้าเกิดปิติสุขขึ้นมาขณะปฏิบัติธรรมเช่นสวดมนต์วิจารณาธรรมการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาผู้ปฏิบัติธรรมหรือทําบุญแปลว่าจิตของเราเริ่มสงบใช่ไหมครับและควรทําอย่างไรต่อไปครับเมื่อมันเป็นเพียงการมุนตดนั้นเองยังไม่สงบเต็มที่ก็ทําต่อไปแต่จะให้สงบเต็มที่มันต้องมีการมีสติจดจอ่อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตเรายังคิดตรงนี้ตรงนี้นน พิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันจะเข้ามันเข้าไม่ถึงความสงบได้อย่างเต็มที่ต้องไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่างนี้แล้วมันถึงจะสามารถเข้าถึงขั้น อ, อัปนาสมาธิได้เข้าถึงฌานสี่ได้ตอนนี้จะอยู่แค่ฌานฌานที่หนมีวิจกมีวิจารมีปิติมีสุขแต่ยังไม่เข้าถึงอเบคาสักแต่ว่ารู้ ยังต้องไปต่ออันจะไปต่อได้ต้องมีสติกับกับใจให้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลหมหายใจเข้าออกก็ได้งานสุดก็จะสามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ฌานสีได้พอเข้าถึงจุดนั้นแล้วนะจิตมันจะเน่งมันจะเฉยมันจะวางมันจะสงบเราไม่ต้องทำอะไรนะมันจะรู้เองว่าอ๋อนี่แนหะคือมลดแห่งธรรมชีชนะลดทั้งปวงอยู่ตรงนี้เอง นัตติสันติพลังสุขขัมสุขเงินที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีเมื่อนังถึงจุดนั้นมันถึงถึงจะหยุดการภาวนาได้ใส่บาปด้วยเงินได้ไหมครับได้จะใส่บาปด้วยมันใส่ด้วยของอะไรก็ได้นะั่นพิดว่าผู้รับจะรับได้หรือไม่นะั<ต>่น <laughs> บางท่านเนี่นกล้าจจะไม่รับเงินท่านบอกว่าไม่มีลุกศิษย์มากก็อย่าไม่ต้องใส่เงิน บางท่านเป็นู้สิษ์มาท่านก็บอกอาขาฝไว้กับลูกศิษย์ก็แล้วกันบางท่านก็ใส่บางท่านก็ใส่ให้อนุญาตให้ใส่บาทได้ก็ใส่ไปแล้วแต่ว่ันนี้พระเราก็มีด่ากหลายรูปแบบด้วยกันการรักษาพระธรรมวินัยแต่ละรูปแบบมันก็ไม่ไม่เหมือนกันบางแห่งก็รับได้บางแห่งก็รับไม่ได้ในบาเนี่ย เราควรฝึกตนให้เป็นคนมักน้อยและสันโดษจะช่วยให้เราจิตสงบจิตเป็นสมาธิได้ง่ายอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ช่วยได้เพราะจิตเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวิ่นล น, นสแสวงหาสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องหาอะไรมากมานี่มันต้องใช้ความพยายามใช้ความคิดอะไรต่างๆถ้าเราหาน้อยถ้าเราใช้น้อยเราก็หาน้อยเห็นใช้ใมน้อยเราจะได้ไม่ต้องหางานทำมาก อันนี้ทํางานแบบแปดชั่วโมงเราจะทําแค่สี่ชั่วโมงก็ได้เปลี่ยนอาชีพจากงานประจมนามาเป็นงานงานส่วนตัวงานอินสระต้องการจะทําเมื่อไหร่ก็ไปทําไม่ต้องการเมื่อไหร่ไม่ต้องการ ก, ารก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะเราใช้น้อยเรามมีนน้้อออยยลเเื่รรา า, ราใชได้้เราก็ตอ ง, มงไม่ต้องมีมากก็ได้อย่างพ่านี้พระเจ้าสอนให้มี ม, มีปัจจัยสี่ ให้น้อยที่สุดให้มีแค่อัาบริการมีเครื่องที่จะทําเียงดูร่างกายแปดชิ้นนั่นเองคือหนึ่งให้มีบาทอันนี้ไว้จับหรับหรือหาอาหารสองให้มีผ้าบางสกลุลคือผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้าเผ้าออสุมมาตัดมายิบเป็นจีวรไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้องหางเงินซื้อกินวินนบาทก็ฟรีแต่ขยันเดินหน่อยนั่นเอง แต่เบญบาลนี้ไม่ได้ขอนะเพราะไม่ได้ไปขอคนนั้นขอคนนี้เดินไปให้เขารู้ว่าเราเป็นนักปวชเราอยู่ด้วยการให้ของผู้นถ้าผู้อยากจะให้ผู้ออยากจะทำบุญก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่อยากจะทำก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ไม่ไปขอเนะี่ยบบาลนี่ต่างออกเป็นขาทานขอทานนี่ม่จะไปขอ บ, นนบ้านนู้นบ้านนี้ขอโน้นขอนี้อันนี้ไม่ขอบญจบาตไม่ขอ เป็นการไปรับของจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะทำบุญถ้าไม่ทำบุญก็ไม่ไม่แวะไม่ไม่ไม่เรียกไม่ขอร้องอะไรจากใครนะั้นเดินไปฮะบาตรหนึ่งใบผ้าไตาสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าไตามีสามผืนก็คือผ้านุ่งที่เรียวาผ้าสมบงผ้าห่มที่เรียกว่าจีวรแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าสังคติแค่นี้ก็พอมีสี่ชิ้นนะ ที่นี้คือประคตเอวเข็มขัดรัดเอวเพราะผ่าของพระนี่ไม่มีไม่มีซิปไม่มีกระดุมต้องใช้เข็มขัดลัดเข็มขัดแล้วเรียกว่ประคตเอวแล้วก็ข้อที่ข้อที่หกก็คือให้มีเข็มก็ได้ไว้สําหรับซ่อมจีวเวลามันขาดเนี่ยแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็มีมีดโกนไว้สำหรับมงซิมงกุลมง ปงผมปงหนวดแล้วข้อที่แปดก็คือมีที่กองน้ำเพราะสมัยก่อนพระจะตักน้ำจากลำธารมาฉันเงินในลำธารก็ จ, จะมีตัวสัตว์เ้ามีที่ตักแบบที่มันกองไม่เอาตัวสัตว์เข้ามามีแค่นี้ก็อยู่ได้นะบริการแปดซึ่งมาถึงจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่นักบวชจะต้องเวลาจะไปบวชนี่จะต้องมี เอาประชาต้องหาบริการแต่งให้กับนักผู้ที่มาบวชแล้วก็สอนว่าให้อยู่แค่นี้ก็พออยู่อยู่อยู่ให้บินาบาตรเป็นวัดเป็นอาชีพเนี่แล้วก็ให้อยู่ตามคนไม้ถ้าไม่มีใครเขาสร้างกติให้อยู่ก็ยึดประหาอยู่ตามคนไม้ทําเพิงอาจจะทําเพิงด้วยกิ่งไม้ใบไม้ไม่หลบแดดบฝนแล้วก็ใช้ผ้าบางสกุลไปเก็บ ผ้าในป่าชามาเย็บตัดเย็บให้เป็นจีวรแล้วก็ใช้ยายาดองน้ํามูกของตนเองเอาผลละไม้มาดองใช้น้ํามูกคือน้ําปัสสาวะมาดองแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยืดดื่มยาดองนี้ก็สามารถรักษาโลคภัยไข้เจ็บได้อันนี้คือวิธีการของพระอยู่แบบน้ําน้อยสันโดษที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกัน <c oughs> คุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับคนที่เรียนและสอบเรียนไม่เก่งเป็นคนดีได้ไหมครับได้คนดีไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องฉลาดหรืกเก่งคนดีก็คือคนที่มีรักษาศีลได้นรักษาศีลได้มีพรหมแห่าหารมีเมตตาการ ง, งามุลิตาอุเบกขาก็ถือว่าเป็นคนดี ดูแลลูกและสามีพิการอย่างนี้ถือเป็นการสะสมบารมีข้อไหนบ้างครับเ อ, อ่อเมตตาบารมีทานบารมีส อ, อ, องตัวนี้เมตตาก็คือความหวังดีความปรารถนาให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาทุกข์ยากเนี่ยนอนลำบากแล้วก็มีการให้สียสฉลาเงินทองเพราะเราต้อง ต้องไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาเลี้ยงดูเขาก็าได้สองบา ร, รมีบา ร, รมีที่สามก็คือวิทยาบา ร, รมีความเพียรความขยันหนุนเพียรที่จะทําหน้าที่เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีสจจรัจธาที่ฐานใจตั้งแน่แน่ว่าเราตั้งใจว่าจะต้องเลี้ยงดูเขาไม่เปลี่ยนใจไม่โดนเบยบางทีคนต้องตั้งใจจะเลี้ยงดูเขาเพราะทําไปสักพักเหนือ่อยเบื่อขึ้นมาไม่ทําต่อ อย่างนี้เขาจะไม่มีสัจจะอธิษฐานะ ส, สัจจาอธิษฐานคือต้องตั้งใจจะดูแลเขาดูแลให้ไปตลอดนอดฟั่งไปเลยขันติก็ต้องมีความอดทนด้วยเพอกิเลส ม, มันจะมาคอยยั่ะวเราว่าทำไมไม่ไปทํานู่นทํานี่ทําไมต้องมาเสียเวลากับคนนั้นคนนี้ทําไมไม่ไปหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเลยไหนว่ า, า จ, จะมายั่วยุ เราต้มีความอดทนอดกัน้นก็เกิดจะได้บุญบุญนะมันมีหลายข้อด้วยกันการที่มาเป็นแม่เป็นลูกกันนี้จะต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมาใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้นะรู้ว่าคนเราจะมาเกิดนี่มันมันไม่ไม่มีใครรู้ว่าวาระมันจะมาเกิดเมื่อไหร่อ ย, อย่างไรแล้วแต่จังหวะล้วแต่โอกาส งการจะมาเป็นพ่อแม่กันเป็นอะไรกันนี่มันไม่ทราบว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอันใดที่จะทำมาให้มาได้มาพบกันยามที่เรามักน้อยสันโดษเราจะตัดอะไรที่ก่อให้เกิดให้เราไม่สงบตัดสิ่งที่ทําให้เรายุ่งเหยื่ออกไปจากจิตใจที่สันโดษที่สงบโยงเข้าใจบริบทคนรักสงบสันโดษแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือมีสิ่งที่มันจาเป็นจะต้องมี ถึงที่จำเป็นต้องมีก็คือเนี่ยถ้าเป็นผ้าก็อัฐบริการแปดชิ้นถ้าเป็นยยมก็คือเสื้อพ้าสักสองสามชุดก็พออาหารได้กินมื้อเดียวได้กินมื้อเดียวก็พอรองเท้าคู่เดียวก็พออะไรทานองนี้มีเท่าที่จำเป็นที่ต้องมีจากสาเดโกะนะคะผ้าจาร์ขอถามะอาจาร์ครับในสังคมปัจจุบันเราตั้งใจจะรักษาศีลห้าข้อไว้ให้ได้ แต่บางทีรู้สึกว่าเข้ากับสังคมไม่ค่อยได้ปัจจุบันเปิดร้านนวดที่ซานเดโกต้องจัดการกับเหลี่ยมของแต่ละคนหนูขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ได้ครับเออมันคอยมันจะเป็นยังไงมันเรื่องของเขาเข <c oughs> จะช่วมเรื่องของเขาเขจะมีเหลี่ยมก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่รักษาศีลของเราแล้วก็รักษาศีลของเราไปเราไม่ได้รักษาศีลเพื่อที่จะไป ไปชนะภูนั้นผู้นี้รักษาสินเพื่อชนะความโลภความโกรธความหลงของเราเท่านั้นเองที่อากจะใช้การกระทําบาปเป็นเครื่องมือทั้งนั้นคนที่รักษาสินนี่จะต้องเป็นคนที่ยินดีไม่โลภมากไง่ายง่คือคนที่ทํำธุรกิจแล้วอยากจะร่ํำรวยเนี่อาจจะรักษาศินไม่ได้เพราะว่า ถ้ารักษาศีลนัน่มันก็จะมีข้อข้อจํากัดเยอะจะทํำให้การทํามากินไม่คล่องตัวเหมือนกับการไม่รักษาศีลแต่ถ้าคิดนอกคิดว่าเราทํามากินเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้ถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะรักษาศีลได้แต่ถ้ า, าคิดว่าเราจะหาเงินหาทองมาเพื่อที่ได้มีเงินทองไปเที่ยวไปกินไปเดินไปซื้ออะไรต่างๆนี้ถ้ามีความคิดแบบนี้อยู่การรักษาศีลก็จะยาก การจะตัดความริษยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องมองว่าคนเรามีบุญมีกรรมมาไม่เหมือนกันทําบุญทํากรรมมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนก็ได้ดีมากกว่าเราบางคนก็ได้ได้ความไม่ดีมากกว่าเราชั่วกว่าเราเร็กวกว่าเรามีทุกรูปแบบคนเราในในสังคมถ้าเราสัสงเกตดูั้นแต่ละคนนี้ มันมีบุญมีกรรมเป็นตัวพาให้มาเป็นอย่า ง, างที่เขาเป็นกันอยู่งั้นเราอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เราสนใจที่ตัวเราก็พอเราเปลี่ยนตัวเราได้ถ้าเราคิดว่าบุญเรายัางน้อยก็พยายามทำบุญให้มากขึ้นถ้าบาปเรามากเราก็พยายามลดบาปให้น้อยลงไปแล้วเราจะพัฒนาตัวเราขึ้นไปเองตามลำดับ การที่เราได้พบเจอกับครูบาอาจารย์แล้วได้รับฟังธรรมกับพระรูปนั้นๆเท่ากับเราเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันมาหลายภพหลายชาติหรือเปล่าครับไม่จําเป็นนะเรเราเจอใครคนไหนเราก็ถือว่าเป็นต้องมีความสัมพันธ์เนี่มากับทุกภพทุกชาติอย่างตอนนี้มาเจอคุณหมอเนี่ยก็เคยเป็นคนไข้ของคุณหมอมาทุกภพทุกชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก เวลาเดินจงกรมจะรู้สึกเหมือนมีน้ําไหลที่ขาเย็นขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยครับมีการอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่ที่สติกับกับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจถ้าเราเดินเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปส่วนอาการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นผลพลอยได้ไม่เป็นตัวมันไม่เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือระงับความคิดปุงแต่งต่าง เราจะระงับความโกรธได้อย่างไรครับก็ลดความอยากลงนงความกรดเกิดจากความอยากของเราถ้าเราสันโดษเราก็จะไม่โกรธใครถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดใครด่าเราเราก็ยินดีใครจะใครจะเกลียดเราเราก็ยินดีใครจะชมเราเราก็ยินดียินดีทุกอย่างไปเราก็จะไม่โกรธใครอยากให้หัดใช้ใช้สันโดษกูอย่าไปอยากให้เขาดีกับเรา อย่าไปอยากให้เขาด่าแล้วไม่ด่าเราพอมันไปเจอสิ่งที่เราอยากแล้วไม่ได้ทางใจอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้เราน่าเอาแบบทุกอย่างเลยถ้าเอาได้ทุกอย่างด่าก็ได้ชมก็ได้ไม่ชมไม่ด่าก็ได้เอามันทุกรูปแบบเลยทําไมต้องไปด้วยเราอย่างเดียวทําไมมันมีสามรูปแบบให้เลือกเทีอย่งนี้ไม่โลกกันโลกทั้งสามอย่างเลยเอาทั้งสามอย่างเลย ถนนก็เคยยินดีได้ทุกรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรมาเอาทั้งนั้นครับในแต่ละภพชาติที่เราอยู่ควรจะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตพัฒนาเพื่อชาติต่อไปจิตจะเร็วขึ้นเพราะมีของเก่าไหมครับถ้าเราทําอะไรไว้มันถ้าทํามากมันก็จะติดตัวไปมากถ้าทำน้อยมันก็จะติดตัวไปน้อย ควรตอบโต้คนพานอย่างไรไม่ให้บาปครับก็ตอบโต้ด้วยความเมตตาให้อภัยเขายิ้มให้เขาพูดดีๆกับเขาหรือเดินหนีไปก็ได้ตอนใส่บาตรพระแล้วฝนตกครับพระมารับปิณฑบาตใต้ใชายคาบ้านแล้วเรายืนใส่บาตรอย่างนี้บาปไหมครับ <c oughs> ไม่แบาปนสมัยนี้ยืนก็มีใส่บาตรก็มีนั่งก็มี บางคนนอนมาใส่ก็มีไม่สบายเขียนมาให้เขาได้ทําบุญก็มีนี่มันมันน่าแต่การละเทสะนับแต่ความเหมาะสมมากกว่าอย่าไปยึดติดกับธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเลยอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องของธรรมเนียมประเพณีนี่ก็ถือว่าต้องต้องยืนเวลาพระให้พรต้องยืนรับพรเนื้อล ว, วลาพระนั่งต้องนั่งรับพรเ น, นื้อทานองนี้เราก็ไม่ทราบความหมายแต่ในสมัยนี้เราเอาตามเราเอาตามธรรมเนียมประเพณีของ ยุปัจจุบันก็แล้วกันเขาทําคนยังไงแล้วก็ทําความสาคัญอยู่ที่ความอ่อนน้อมเท่านั้นเองคนที่เขารักสันโดษรักความสงบรักความเรียบง่ายเขาจะไม่เออะไรที่มันมาทําให้จิตใจวาวุ่นไม่สงบยอมเข้าใจอย่างนี้ถูกทางถูกธรรมแล้วใช่ไหมครับเออก็อย่าไปเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นเข้ามาอย่าไปมีเมียอย่างเงี้ยอย่าไปมีลูกอย่าไปมีรถสายหลายคัน ถ้ามีรถคันเดียวก็พอถ้าจําเป็นจะต้องมีรถแมีคันเดียวถ้ามนจําเป็นจะต้องมีอะไรก็ให้มีอันเดียวก็พอเอี่ยไปโลกมากมีมีเรื่องมีของมากก็วุ่นวายมากมีรถสองคันก็ต้องวุ่นวายกันดูแลรถสองคันถ้ามีคันเดียวก็ดูแลแค่คันเดียวถ้าใครมินทาว่าร้ายคารว่าที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันได้บาปมากไหมครับ จะว่าใครมันไม่ดีทั้งนั้นนหะว่าร้ายใครไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันหรือไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลไม่เกี่ยวบุคคลที่ถูกด่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับคนที่ว่าเนะี่ยไปว่าเขาทําไมมัเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนนั่งสมาธิรู้สึกเครือง่วงพอตั้งสติรู้ง่วงหายไป เหลือแต่รู้เฉยๆโล่งๆเหมือนไม่มีอาการทางกายทางจิตอะไรเรียกสมาธิไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะก็จะไมไปสนใจชื่อมาเลยนะถ้ามันรู้เฉยๆมีความสุขก็ใช้ได้นะถ้าเราไม่สบายท้องเสียปวดท้องการปฏิบัติธรรมสามารถใช้วิธีได้แทนการเดินจงกรมนั่งสมาธิจะ ต, ต้องฝืงนร่างกายปฏิบัติครับ เวลาเกิดอาการเจ็บท้องขึ้นมาก็ต้องพิจารณาความเจ็บท้องว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเนิจจังหรือเปล่าอมันเป็นอนัตตาหรือเปล่าเราก็คุมบังคับมันได้เปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าถ้าสั่งมันไม่ได้ทําให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องมทำใจอยู่กับมันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์นี่ก็คือการปฏิบัติขั้นปัญญาก็ออยอมรับความจริงว่าตอนนี้เราเจอกับ อาการที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปหรือว่ า, ถ, าถ้าจะใช้อบายของสติก็คือเวลาปวดท้องาใจเราทุบล้วก็ใช้คําบาลีรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงอาการปวดท้องพอเราไม่คิดถึงอาการปวดท้องเดี๋ยวจิตก็หายทุกข์ได้จุดปล่อยวางได้ชั่วข่าวด้วยด้วยอุบายของสติ เวลาที่เราทำดีกับเขาแล้วทําไมเขาถึงไม่เห็นความดีของเราแต่กับคนอื่นดีกับเขาทุกๆอย่างบางทีเราก็น้อยใจและจะกลายเป็นความเกลียดชังต้องทําอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของเขาอะเขาอย่าเห็นเราดีหรือไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเขาอย่าเห็นคนดีคนอื่นดีไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งกับเขามันก็ไม่มีทุกที่เราทุกเพราะเราไปอยากให้เขาเห็นตามที่เราคิดเท่านั้นเอง เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเถอะเราหัดใช้สันโดษเยยินดีตามมีตามเกิดเราอย่าทำเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำของเราถ้าอยากจะทำความดีจริงทำมุนจริงๆแล้วไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำด้วยเลยให้อย่างเดียวทำให้เขาไม่ความสุขส่วนเขาเขาจะชื่นชมยินดีขอบคุณเราหรือไม่ทดแทนบุญคุณให้กเราหรือไม่เห็นความดีของเราหรือไม่มันอย่าไปหวัง เพราะหวังแล้วมันจะผิดหวังถ้าถ้าหวังแล้วก็ไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายพอเราให้ของเข้าไปเขาไม่ใจใ่ายกันมาเราก็เสียใจแนะนําการดูแลจิตใจหลังกเกษียณครับอาจารย์เราเนี่ยพยายามเอาเวลามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้มากที่สุดทัาที่จะมากได้เช่นวันนี้มันพระก็ลองรักษาศีลดู ถ้ายัางไม่เคยรักษาสี่ห้าอย่างเป็นรูปแบบก็ลองรักษาสี่ห้าดูถ้ารักษาสี่ห้าได้แล้วก็ลองเพิ่มเป็นสีน่แปดดูแล้วก็เอาเวลาที่ไม่ต้องทําอะไรนี้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะนั่นก็จะทําให้จิตใจเริ่มมีความสุขเริ่มมีความสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ ถ้ามีอาการเบื่อผู้คนชอบสันโดษจะแก้ไขอย่างไรครับเข้าไปตวจเลยไม่อยู่คนเดียวนะสมัยนี้พระธรรมยุทธกับพระมหานิกายสามารถร่วมสวดปฏิโมกด้วยกันได้ไหมครับและสามารถอยู่จำพรรษาด้วยกันได้ไหมครับพราะเห็นสมัยหลวงปู่ ม, มั่นร่วมกันไม่ได้และสาเหตุอะไรถึงร่วมกันไม่ได้ครับอันนี้เรื่องของพระโยมไม่ต้องไปยุ่งดีกว่าไม่เกี่ยวพระโยม อยู่กับสามีสามีแล้วสามีก็มีมีหน่วยคนแล้วอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าอันนี้ส่งของศีลแปดคืออะไรครับอาจารย์ก็รักษาศีลแปดได้ก็ยังขั้นต้นก็ปิดประตูาบายได้ไม่ไปเกิดในาบายแล้วก็จะช่วยให้มีกำลังที่จะออกจากการรมมาพบได้แต่ยังไม่ออกเพยงเดา การถือสินแปรนี้เป็นการระ ง, งับการเสพกามเตรียมรูปเสียงกินรสแสดงว่าเรากําลังเตรียมตัวที่ออกจากกรรมภพเพื่อเข้าสู่รูปภพหรืออารมณ์ภพการจะเข้าสู่รูปภพหรืออารมณ์ภพได้เราก็ต้องมีสมาธิเข้าฌานได้ก่อนจะเข้าฌานได้เราก็ต้องเว้นการเสพกามให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราเสพกามเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกัน เป็นคนขี้พี่ตกกังวลครับจะใช้ทําอะไรช่วยบรรเทารักษาได้ครับก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นยินดีให้ทําใจใยินดีตามมีตามเกิดไปแล้วเราก็จะไม่กังวลอยู่ก็ได้ตายก็ได้อันนี้ก็จบละรวยก็ได้จนก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เพราะนี่คือเป็นปกติของโลกที่เราอยู่กันนี้ ลาบยศเสริญเสริญสุขนี่เจริเสื่อมเป็นธรรมดาไม่มีใครไปกําหนดไปควบคุมบังคับมันได้แม้แต่เป็นนายกยังกําหนดให้อยู่คบ ว, วาระไม่ได้เลยถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่าพร้อมที่จะให้มันเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กังวลที่เรากังวลเพราะเราไม่อยากให้มันเสื่อมมันมีอะไรก็อยากจะให้อยู่ของเราเป็นของเราไปนา น, าน การฟังเทศมหาชาติที่มีสิบสามการอันนี้ส่งในการฟังและถ้าเราฟังไม่ครบทั้งสิบสามการจะได้บุญต่างหรือเหมือนกับการฟังครบสิบสามการครับมันก็เหมือนหนังซีรีส์ดูทุกตอนมันก็จะได้เข้าใจเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันถ้าดูบางตอนมันก็ขาดบางตอนไปมันก็ไม่ได้ครบรู้สึกว่าเทศมหาชาตินี้เกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติก็คือภพชาติต่างๆ ทีพรเจ้าได้บำเพ็ญบารมีต่างๆมาเช่นตอนที่เป็นพระเวสสันดรก็กาลังบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างนี้เป็นตน้นเป็นพระหมหาชนนก็ือกำลังบำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีคือเป็นนิทานมาสอนสอนให้คนเข้าใจง่ายขึ้นว่าบา ร, รมีแต่และอย่างเป็นอย่างไงยกตัวอย่างให้เห็น ก่อนนิยมต้องอาศัยคนอื่นมาทําให้ตัวเองมีความสุขเหมือนติดเพื่อนติดคนอื่นในคล้ายๆไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในตัวเอาเหมือนกันเพราะต้องอาศัยคนอื่นจึงจะมีความสุขพอถึงจุดจุหนึ่งโยมก็ตัดความรกสมองออกไปจากจิตใจเสมือนตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองยืนบนขาของตัวเองอย่างแท้จริงรู้สึกมีความสุขมีความสงบด้วยตัวของตัวเองได้เสมือนบรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ทางธรรมน้อยๆอาการอย่างนี้แสดงว่าโยมเข้าข่ายน้อมนํา ความสงบความสันโดษเข้าสู่ตัวเองหรือเปล่าครับคื็มันก็บอกอยู่แล้วนะว่าถ้าเราไม่อาศัยคนอื่นได้เราก็เราก็ตัดความอยากความมากักมากของเราให้นดน้อยถอยลงไปความมักน้อยมันก็จะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราต่อไปก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ไม่ต้องมีอะไรเลยมาบวชเป็นพระได้เลย รักโลกโกรธหลงความคิดปรุงแต่งมันมีของมันอยู่แบบนั้นใช่ไหมครับในจิตของผู้มีกิเลส ก, ก็เป็นแบบนั้นแต่ในั้นจิตผู้ที่ปฏิบัติมนุษย์เป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีแบบนั้นอีกต่อไปหนูนั่งสวดมนต์อยู่คุณพ่อไม่ทราบคุณพ่อเรียกให้ไปหาขอให้หนูได้ยินแต่ทําเฉยเฉยสวดมนต์ต่อให้จบเมื่อจบแล้วจึงลุกไปหยิบของให้ท่านค่ะ อยากถามว่าหนูทําถูกแล้วหรือควรจีบขอท่านก่อนดีครับก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการทันทีหรือไม่อยู่ที่เราว่าเราอยากจะรับใช้ท่านอย่างเต็มที่หรือไม่หรือเรายังยังไม่ต้องการจะทําแบบนั้นเราก็ทําแบบที่เราทําอยู่อันนี้ก็ลองถามท่านดูสิเวลาพ่อต้องการอะไรพ่อรอได้ไหมบางทีหนูกําลังทํากิจอะไรอยู่จําเป็นยังไม่สามารถไปทําให้ได้ ถ้าว่าบอกได้ก็โอเคถามกันได้คุยกันได้ของพวกนี้่ายอาวอยังไงดีคุณเล็กกี้บอกว่ามาปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดยานครับบินมาจากอุดรตั้งแต่ 27-2 กันยานะครับจะไปต่อภาวนาบนเขาด้วยจองที่พักไว้แล้ว 2-7 กันยาไปขึ้นเขาครั้งแรกเช่นกันขอกราบเรียนท่นานพอาจารย์ครับ กล่ารนักการพระอาจารย์ได้เห็นตัวจริงท่านพระอาจารย์แล้วตอนใส่บาตที่ศาลาหัวใจเต้นแรงมากกลัวท่านมากทันปื้มทั้งติติมากครับทั้งกลัวสัตว์ครับสาธุครับพร า, าก็ไม่กลัวรตรงไหนมันหลงตาไหมครับพระอาจารย์<ม> <laughs> พระอาจารย์ <laughs> มีความยำเกรง อาจาแล้วใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นพอเราเกรงใจใครเรายายเกรงมากเราก็ไม่อยากจะทําอะไรให้มันผิดพลาดพอพราะเราอยากจะทําให้ท่านมีความสุขนะเราก็ไม่อยากจะไปทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายหกับท่านมันก็เลยกเกิดอาการกลัวขึ้นมาได้ อ, อาจารย์ครับแล้วพระอรหันต์ที่เขาเป็นครูบาอาจารย์กันหมดแล้วอย่างนี้เขายังเกรงยังเกรงยังกลัวกันอยู่บ้างไหมครับอาจารย์อคุณหมอทำไมเป็นตอนดี้ว่อนยังยังไม่รอดนั่งกําหนดสติรู้ลมหายใจเขาออกพุทโธถึงจุดหนึ่งลมหายใจเขาออกจะแรงขึ้นดังขึ้นแล้วไม่นานจิตก็ถอนจากการปฏิบัติควรทําอย่างไรต่อครับ ถอยจะนั่งต่อก็ดูลมต่อไปขณะที่เรานั่งสมาธิพอเริ่มสงบเราจะรู้สึกถึงกลุ่มลมที่พัดในโพรงจมูกดังวู้วแต่พยายามไม่ใส่ใจภาวนาต่อแต่กลุ่มลมก็ยังพัดกระจายในโพรงจมูกและกระจายในหัวของเราอยู่ลักษณะแบบนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็ อ, อย่าไปสนใจเหมือนให้รู้ว่า ให้เราลมเข้าลมออกไปก็แล้วกันท้านที่เราต้องการอยากให้เร็วอยู่ส่วนนลมมันจะอยากจะละเอียดจะกระจายหรืออะไรมันไม่ต้องไปนสนใจมันให้รู้เฉยๆว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับมาดูที่จุดที่เข้าออกที่ปลายจมูกถ้าจําเป็นต้องอยู่กับความคิดลบควรปฏิบัติอย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับห <c oughs> มายถึงผู้ผู้ที่วคิดลบเดิมมาถึงตัวเรา แ้าตัวเราเราก็ไม่ควรที่จะคิดลบเรคาควรจะคิดตามความเป็นจริงคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราดีกว่าถ้าพคนหนึ่งเขาคิดลบก็ปล่อยให้เขาคิดลบไปเราอย่าไปอยากให้เขาคิดบวกเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้ทําใจเฉยๆไป พี่สาวซื้อต้นมะนาวมาปลูกในเขตบริเวณบ้านของเราแล้วเราไปเก็บผลมะนาวกินโดยไม่ได้ขอพี่สาวอย่างนี้เราบาปไหมครับถ้เาเป็นของของขอ ง, ของคนอื่นแล้วเราไปเอาของเข้ามาแล้วมันก็บาปนละักทรัพย์ของผู้อื่นเราไม่ได้เขาไม่ได้อนุญาต โยมเคยแปลกใจสงสัยตัวเองเอาเหมือนกันที่ไม่มีคนมารักมาชอบในเชิงชู้สาวแต่เอาเขาจริงโยมเองก็มีความสุขมีความสบายใจเอาเหมือนกันเพราะไม่เคยคิดจะมีคู่คอรอมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เอาเขาจริงมันก็ตรงปกตรงนิสัยของโยมอยู่ไม่น้อยอย่างนี้ดูเสมือนโยมมีทุนสันโดษมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาคามะที่ไม่มีคามาจีบเพราะเราไม่เปิดช่องก็จีบกนะันเงนก็เลย เขเราจะไม่กล้ามาจีบเราแต่ถ้าเราเปิดช่องปั๊มนี่ก็จะเข้ามาทันทีแสดงว่าเราไม่สนใจเราสนใจกับการอยู่ตามลำพังของเราก็แสดงว่าเราเป็นคนที่ชอบความสงบชอบอยู่คนเดียวสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่ได้นั่งสมาธิจะได้บุญไหมครับก็ได้ไม่เท่ากับการนั่งสมาธิ ท่านนั่งสมาธิได้ก็จะได้เพิ่มบุญขึ้นขึ้นไปอีกได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นไปอีกการสวดมนต์อาจจะได้ได้ความสงบ 20% สมเอร์เซนตสมุรแต่ท่านนั่งสมาธิอาจจะได้ความสงบร้อเอร์เซ็นลยก็ได้หลักธรรมข้อใดทาให้มักน้อยแต่มีความสุขครับก็ทุกอย่างไม่เที่ยงนะมีทุกอย่างเป็นทุกข์มีมากก็ทุกข์มากมีน้อยก็ทุกข์น้อย ไม่มีเลยก็จะไม่ทุกข์เลย ม, มีแต่ความสุขตั้งแต่หลวงตาท่านสิ้นไปก็ไม่เห็นพระองค์ไหนที่เทศดุเด็ดเผ็ดร้อนได้เหมือนหลวงตาเลยครับชอบสำนวนเทศของท่านฟังแล้วกิเลสหมอบราบดีขนาดผมได้ฟังแค่เทศของท่านกิเลสยังหมอบขนาดนี้ถ้าได้นั่งฟังต่อหน้าท่านนึกไม่ออกเลยว่าจะได้ขนาดไหนผมเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของลูกศิษย์ษของท่านเลยครับว่า การที่ได้อยู่อบรมศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริจรงเห็นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากครับท่านท่านนี้ยังฟังฟังเทศของท่านได้เหมือนกับฟังอยู่ต่อหน้าท่านเลยเพราะเวลานั่งฟังเทศจริงๆก็หลับตากันนั่งสมาธิไปฟังไปก็ไม่ได้เห็นหน้าท่านแต่อย่างใดก็ได้ยินแต่เสียงของท่านเพราะฉัการฟังเทศที่แท้จริงเราไม่จําเป็นยังต้องเห็นหน้าของผู้เทศเลย เราได้ยินเสียงนเพราะสาระประโยชน์มันอยู่ที่ในเสียงไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาของท่านตอนนั้นไม่มีไฟใช่ไหมครับอาจารย์ได้เจอจุดเทียนใช่ไหมใช่อยู่เทียนบนสาละก็ยังจุดแค่สองดอกที่หน้าพระพุทธรูปแล้วนอกนั้นก็ไม่มีเทียนนั่งก็นั่งแบบเบื่อะได้ยินเสีย ง, งท่าน สมัยก่อนมีเครื่องขยายเสียงไหมครับอาจารย์หรือว่าเสียงสดๆเลยครับอาจารย์เสียงสดๆเพราะว่าถ้ามีเครื่องขยายเสียงมันก็ต้องยุ่งยากต่อการต้องมีไฟฟ้าแล้วต้องมีอะไรต่างๆอีกถ้าเราไม่ได้อยอมใช้กองพวกนี้ตอนนี้โยมเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นการไม่มีคู่ครองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับคู่ครองซึ่งควร น, น้อมยินดีครับอาจารย์ได้ปัญญาแล้วเนี่ย <laughs> ขอการครับวันพระไปถือศีลที่วัดแต่รู้สึกวุ่นวายก็เลยถือศีลแปดอยู่บ้านแบบนี้ทำได้ไหมครับง่ายที่ไหนที่มันสงบควร อ, อยู่ที่นั่นจะดีกว่าเพราะคำว่าวัดนี้มันความหมายที่แท้จริงก็กคือสถานที่ที่สงบแต่ถ้าเป็นวัดที่ไม่สงบก็ไม่ถือว่าเป็นวันเพราะมันไม่ใช่เป็นสถานที่สงบงถ้าบ้านเราสงบ เราอาจจะเรียกอาจจะเรียกบ้านบ้านเราว่าเป็นวัดก็ได้ยอย่างที่เขาบอกว่าทําบ้านเราให้เป็นวัดขึ้นมาแล้วคุณขอนามีวัดอยู่ข้างหลังเคยเข้าไปอยู่หรือยังวะลูกสร้างม า, างอีแล้วเข้ามาติคุบาอาจารย์มาอยู่ครับแต่เรายังไม่เคยเข้ามาอยู่เลย <c oughs> อยู่เลยครับยังไม่ได้ตีออกไปตัดไม่ได้นะตัดครอบครัวมไม่ได้ครับผม โยมอยากทําบุญค่าน้ําค่าไฟที่วัดอ๋อเขาบอกเสามารถทําบุญช่องทางไหนได้บ้างครับก็ก็ต้องถ้าอยากจะเอาเงินเข้าบัญชีวัดก็ต้องถามทางวัดก็หมายเลขหมายเลขอะไรติดต่อทางวัดก็ได้เขามีเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในเพจของวัดญาณถ้าจะทํำบุญกับวัดญาณนะแต่ถ้าจะทํำบุญกับวัดไหนก็ติดต่อกับวัดนั้นได้เพราะในสมัยนี้ทุกวัดถ้าจะมีบัญชีให้โอาเงินเข้าได้ ตอนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วปวดไายลมควรกั้นไว้แล้วปฏิบัติต่อไปหรือปล่อยไปตามธรรมชาติครับปล่อยไปตามธรรมชาติเถอะมันเป็นอนัตตาอ่มเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟการทําบุญบ่อยๆและถือศีลจะช่วยให้การทําสมาธิเวลาดําเนินจิตจะพัฒนาได้เร็วขึ้นไหมครับใช่คุณมา้าอ่านทีน้นเมือกี้ว่าไม่ได้ฟังท่าน การทําบุญบ่อยๆและถือศีลจะช่วยให้การทําสมาธิเวลาดําเนินจิตจะพัฒนาได้เร็วขึ้นไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการบําเพ็ญสมาธิแต่ยังขาดอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้สมาธินี้สำเร็จได้ก็คือการเจริญสติก่อนทําบุญทําทานนักษาศีลแล้วก็มาเจริญสติแล้วก็มานั่งสมาธิเมอมีสติแล้วมานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ หนูข้อสอบถามเกี่ยวกับทุกทางกายครับเวลานั่งสมาธิจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดขาเหมือนใจรู้ว่ามันเป็นธรรมดาที่นั่งนานๆแล้วจะปวดพอออกจากสมาธิมันก็หายแต่เวลาที่ปวดท้องบิดท้องเสียปวดจนหน้ามืดจะเป็นลมทุกทีแล้วทุกมากหนูคนทําใจอย่างไรให้ทุกน้อยลงครับเพื่อทําใจให้สงบด้วยสติและด้วยปัญญาะถ้าด้วยสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับว่าการปวดอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันปวดไปให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงความปวดอาการทุกข์ใจก็จะลดน้อยลงได้แต่อาการปวดของร่างกายก็ยังเหมือนเดิมเนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันที่เราทํานี่เราเพื่อทําเพื่อลดความทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางร่างกายก็ต้องปล่อยให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อถึงเวลามันก็ลดลงเองเพราะตัวอย่างมันเป็น น, นั้นที่เจ้า อันนี้ก็คืออุบายของการใช้สตินื่งใจอย่าไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายด้วยการให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป้จิตก็จะนิ่งจะไม่มีความอยากให้มันหายจิตก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีของปัญญาก็ต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยเป็นธรรมดาดีมันไปไม่พ้น อย่าไปอยากอย่าไปอยากหนีมันอย่าไปอย่างให้มันไม่เกิดให้เตร็มตัวเตร็มใจต้อนรับมันเวลามันมาก็ยินดีต้อนรับมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยของทางร่างกายกลับสอบถามพระอาจารย์ครับมีความตั้งใจจะไปกราบฟังธรรมพระอาจารย์ที่วัดยานครับแต่บังเอิญเกิดประสบอุบัติเหตุขาหักเสียก่อนอย่างนี้เหมือนมีกรรมไหมครับ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะนมันไม่มีเมทียงแท้แน่นอนอะไรมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดก็แล้วกันพระเอานมเอาขนมจากการบิณฑบาตและสังฆทานมาแบ่งให้โยมโยมรับมาอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเป็นของของท่านเองท่านเอามาให้ก็ได้แต่ถ้าเป็นของส่วนรวมก็ต้องรอให้ท่านเอาไปแจกกันก่อนอย่างสินทร์ส่วนที่เหลือท่านก็จะเอามาแบ่งให้ญาติโยมได้ เนื่องหลังจากที่ท่านฉันเสร็จแล้วของที่ท่านอยู่ในบาติท่านฉันไม่หมดหรือของที่ญาติโยมถวายมาแล้วท่านฉันไม่หมดท่านยา เ, าเอาไปให้ใครก็ได้การเพียรปฏิบัติเพื่อความอยากไปเทวโลกพรมโลกอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับไม่เป็นหรอกถือว่าเป็นธรรมว่าคนที่ได้มันเป็นเป็นธรรมเป็นผลเป็นผลที่จะทําให้เจตใจเรามีความสุข ถ, ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทํากัน ถ้าทำไปแล้วไม่ได้แล้วเราจะไปทําทำไมใช่ไหมแม้แต่นิพพานเราก็อยากได้กันใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้นิพพานเราก็จะไม่ปฏิบัติกันแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติชําระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราก็จะได้นิพพานเราก็จะอยากไปนิพพานเราก็ต้องไปปฏิบัติเพื่อชําระกิเลสให้หมดไปจากใจเนี่ความอยากแบบนี้มันไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นสมุทัยเพราะมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับใจ แต่มันเป็นปการดับความทุกข์ให้กับใจใช่มากกว่าเราเลยเรียกนี้ว่าความอย่างนี้เป็นธรรมเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นปัญหาสมุทยัยไม่ใช่เป็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ใจผู้รู้ธา ร, ารู้เห็นสภาวะผุดขึ้นลอยขึ้นมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นเพียงแค่ไม่ส่งเสริมกิเลสใช่ไหมครับถ้ารู้เฉยๆได้กิเลสมันก็ออกมาทํางานไม่ได้ ถ้ารู้ว่าเกิดคมยินดียินร้ายขึ้นมากิเลส ก, ก็จะออกมายินดีก็อยากได้ยินร้ายก็โกรธมันอยากย้ายมันหายไปอย่างนี้มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆไม่มีปฏิยาณมันก็จะไม่มีความทุกข์น้ําผักกองกากเป็นน้ําปานานได้ไหมครับและถือศีลแปดนอนแอดได้ไหมครับคืองานปานานั่งเดี๋ยนี้เป็นเป็นน้ําผลไม้ ซึ่งผลไม้นี่ต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่ากคำปั้นเช่นส้มโอมะละกออย่างเงี้ยแตงโมอย่างเงี้ยมาทําเป็นน้ําปานะไม่ได้ผักนี่ก็ไม่อยู่ในขายของน้ําปานะเพราะต้องเป็นผลไม้แล้วน้ำผลไม้ที่คั้นมายังต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดในน้ําอีกด้วยต้องใช้ผ้ากรองหรือบางทีกรองต้องสองสามครั้งด้วยกันเพื่อให้ไม่มีไม่มีน้ําไม่มีเนื้อติดอยู่ในน้ําเลย อันนี้คือน้บปันะส่วนทฤษฎีแปดจะนอนแอร์ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นถ้ามันจำเป็นจริงๆมันร้อนจริงๆเออแตกพักเลยแล้วนอนไม่หลับเลยก็อาจจะเปิดแอร์ก็ได้เหมือนพัดลมก็ได้ตามวัดนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีพัดลมให้ผู้ปฏิบัติทำมเพราะบางทีช่วงหน้าร้อนมันร้อนมากๆนีมันก็จะนอนไม่หลับก็ได้อยาา ปิดแนร์เพื่อให้มันสุงขึ้นมันสบายเปิดแนร์เพื่อบรรเทาความทุกข์มันมีต่างกันพอมันร้อนก็ปิดแอร์แยาไปเปิดทั้งคืนเนี่ยเปิดเพื่ อ, อไล่ความร้อนให้มันหมดไปพอความร้อนไม่มีแต่ไม่ถึงกับเย็นแต่ไม่เดือดร้อนเหงือไม่แตกก็ถ้าใช้แบบนี้ก็น่าจะโอเค การเป็นตัวของตัวเองในฐานนะที่ยืนบนขาตัวเองพึ่งตัวเองเป็นหลักนํามาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงไม่ต้องเอาคนอื่นมาทําให้เรามีความสุขปรับทําให้เราโตขึ้นด้วยซ้ําโยมคิดอย่างนี้ถูกที่ถูกทางแล้วหรือยังครับตรงแล้วพระเจ้าสอนให้เราใช้อัติอันตนาณาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนอย่าไปหวังพึ่งไก่เพราะสิ่งที่เราไปเพราะสิ่งที่เราไปพึ่งมันไม่แน่นอนบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้ พอเคยพึ่งแล้ววันหนึ่งเกิดพึ่งได้ขึ้นมาเราไม่จะเดนื่อรนอนแต่ถ้าเราพึ่งตัวเราเองนี่เราสามารถพึ่งเราไปได้ตลอดเลยเพราะเราจะอยู่กับตัวเราไปตลอดไม่มีวันจากกันไม่ค่อยได้ทำบุญแต่ภาวนาตอนที่ทำงานอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็บุญคนะระดับกันไงบุญที่เกิดจากการให้ก็เป็นระดับเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง เราจะทําอย่างไรให้มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตไม่คิดปรุงแต่งกั ง, งวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงครับก็ใช้คําบริยกคำพุทโธไปพุทโธพุทโธโธไปเรื่อยๆทุกขณะจิตเลยอย่าหยุดพุทโธพอหยุดพุทโธว่านาจิตก็จะปรุงแต่งขึ้นมาทันทีโยมคิดตําหนิพระอารมณ์กดอย่างนี้บาปไหมครับ การไปตำหนิใครมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนอะไปไปตำหนิเขาทําไมรับรู้ได้เขาเป็นยังไงเท่านั้นก็พอไปตำหนิเขามันไม่เกิดประโยชน์อะไรควรจะตำหนิตัวเราจะดีกว่าว่าเรามีอะไรที่น่าตำหนิไหมลองีปจะดีกว่าพราะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้น ขอความรู้เกี่ยวกับผลของการไปเกิดในการมาพบรูปพบและอรูปพบครับพระอาจารย์การมาพบก็ต้องไปเสด็จการมไงเพราะย่งมนุษย์ยืนอยู่ในการมาพบเกิดมาแล้ก็ต้องหารูปเสียงกินรสมาเสดเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกินรสก็จะเกิดอาการเครียดอาการหมดเย็นอากา ร, าการไม่มีความสุขต้องพอเสดการมอยู่เรื่อยๆเมันเหมือนนมหายใจ ผู้ที่มาเกิดในการมะพบนี่ต้องมีรูปเสียงกินด้มาคอยให้ให้เสพอ ย, ยู่เรื่อยๆถึงจะอยู่ได้เวลาใดที่ไม่มีรูปเสียงกินด้นเราจะรู้สึกฐานเหมือนขาดลมาหายใจพวกที่รูปประพบ ก, ก็เป็นพวกที่เข้าฌานได้เข้ารูปฌานได้ก็จะไปอยู่รูปประพบเขาก็ต้องติดกับรูปฌ า, านเนลาที่เขาไม่มีรูปฌานให้เสพเขาก็จะทุกข์อารมณ์ประพบ ก, กับรูปฌานแค่นี้ ทางที่ดีก็อย่าไปเกิดทั้งสามพบเลยอย่าไปเสพกามอย่าไปเสพรูปประชานหรืออย่าไปเสพรูปประชานเพราะทั้งสามนี้เป็นของไม่เที่ยงฉะ น, นั้จังทุกขังมนณาตาพอเราตัดความอยากที่จะไปเสพการมกา ร, รได้เสพรูปประชานได้หรือเสพรูปประชานได้เราก็จะอยู่ที่มิตรานแทนมิตรานนี้เป็นที่เราไม่ต้องเสพอะไรทั้งสิน้นได้ไหมแต่ให้ความสุขกับเราอย่างสุดยอด เป็ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับของตัณหาที่เหลืตัณหาเท่างหลายเข้าวัดทําบุญนะครับแต่เล่นหวยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับหวยมันเป็นการเป็ น, เ ป, นเป็นอบายงงุกซึ่งจะนําไปสู่ความความเดือดร้อนเสียหายได้ต่อไปถ้าเราไม่มีการควบคุมถ้าเล่นไปแล้วการเตดขึ้นมาก็าจะเล่นมากขึ้น เวลาได้ก็อยเวลาได้ก็อยากจะได้เพิ่มอีกเวลาเสียก็อยากจะได้คืนนมันก็จะทําให้เราอาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปหมดได้ถ้าเราไม่ระวังอันนี้ก็อย่าไปเสพมันจะดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วพอเราไม่มีเงิ น, ไ ม, มงนไม่มีเงินเงินท่าไม่พอใช้แล้วก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบไม่หาไปชอมไม่อโกงไปรักทรัพย์เป็นต้น ขอการพิจารณาโทษของขันห้าครับอาจารย์คือขันห้ามันไม่มีโทษหรอกร่วมพิจารณสัญญาสังขารวิญญาณโทษมันอยู่ที่เราไปยึดไปติดมันหรือเปล่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โทษอยู่ที่ความอยากของเรากับขันห้าละเราอยากให้ขันห้ามันเที่ยงแต่โดยธรรมชาติขันห้ามันไม่เที่ยงอยากจะให้มันั่งยืนถาวรแน่นอนแต่มันไม่แน่นอน ร่างกายเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิทย า, าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสดบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างสลับกันไปโทษมันอยู่ที่กฏกิเลสที่ไปยึดไปติดไปอยากให้ขันห้าเป็นตามตามความอยากของกิเลสทนั้นเองแต่ตัวขันห้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโทษเพราะพระพุทธเจ้าก็ยังก็มีขันห้าอยู่พาระหลานก็มีขันห้าอยู่ขันห้าก็ไม่ได้เป็นโทษเป็นทําให้พระพุทธเจ้าทุกข์แต่อย่างใดไม่ได้ทําให้พระหลานทุกข์แต่ คาน้ามันเป็นเหมือนเครื่องมือเราจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ทำให้ใช้เกิดโทษก็ได้อยู่ที่เราใช้มันจะใช้แบบไห น, นเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกๆอย่างก็เป็นเช่นนี้ถ้าอยากให้โลกสงบต้องให้พระอาหารหันต์สั่งสอนโลกแล้วถ้าเรายังต้องอยู่บนโลกใบนี้ต้องเจอแต่โลกแย่ๆด้วยกิเลสมนุษย์เราควรดารงตนอยู่อย่างไรดีครับก็บให้เข้าใจเขาแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยวาง ป่อางก็อย่าไปรบอย่าไปยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คนทั่วไปเมื่อยามชาราอยู่คนเดียวจะเหงาว้าเวแต่ทำไมพระอรหันต์ท่านอยู่คนเดียวท่านจึงแจ่มใสมีความจำดีท่านปล่อยวางได้หมดหรือท่านมีสติกับความสงบเป็นเครื่องอยู่ครับท่านไม่มีไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาเพราะจิตไม่มีตัณหาจิตก็จะสงบผ่องใสเบิก บ, บาน การโอนเงินบริจาคสาธารณกุศลต่างๆและอุทิศบุญให้ผู้ร่วงลับจะได้รับผลบุญไหมครับได้ถ้าเขารอรับอยู่นะตอนที่ขาหาักครับไปทำซีทีสแกนขอในใจว่าไม่ใ ห, ให้ต้องถึงขั้นผ่าตัดแล้วจะไปบวชชีพราหม์ปฏิบัติธรรมฟังเทศจากพระอาจารย์ขอพรแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับแล้วผลออกมาคือไม่ต้องผ่าตัดจริงๆครับ คือการขอกับผลนี่มันอาจจะไม่ตรงกันะขอบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมันไม่เกี่ยวกันเหตุที่ร่างกายมันไม่ต้องผ่ามันเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันไม่ต้องผ่าไม่ได้อยู่ที่พราะเราขอหรอกให้เข้าใจตรงนี้ว่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันการขอกับการเกิดขึ้นของร่างกายมันไม่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลโคนตรเรื่องกันเราไปจับแพ้ชนแกะเอง บางทีเราขอแล้วไม่ได้ทังใจก็มีบางทีได้ทังใจก็มีตั้งใจบริกรรมพุโทโธตลอดชีวิตที่ระลึกขึ้นมาได้จะสงบหรือไม่สงบไม่ได้คาดหวังอย่างนี้ผมทำถูกไหมครับ <c oughs> ตลอดชีวเลยขอให้ทำได้สักวันหนึ่งก่อนนะึไม่ค่อยไปวัดแต่ให้เงินขอทานตาบอดขาขาดคนทุกข์ยากอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ การที่จะทําให้ไปเกิดในกามาพะพบรูปภพอรูปภพต้องมาจากผลของการปฏิบัติอะไรครับผลจากการเสดการมการติดติดในกามความอยากในกามอยากเสดการมอยู่เรื่อยความอยากเสดการมนี้จะเป็นตัวที่ให้เราดึงไปเกิดในกามะพบร่านคนที่อยากจะอะกินเหล้าเนี่ยมันก็จะดึงให้เราไปที่ร้านเหล้าอยู่เรื่อยอย่ถึงเวลาก็ไปร้านเหล้ากันไปบาร์ไปผับกันคนที่ติดเหล้า คนที่ติดเที่ยวก็จะไปตามสถานที่่อเที่ยวต่างๆอย่างเรื่อยๆถ้าคนไม่ติดไม่ติดชลาก็จะไม่ไปบางกันให้เสียเวลาคนไม่ติดเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวให้เสียเวลาอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าบรรลุทำได้ยังถือว่าคุ้มค่าแก่การเกิดมาในชาตินี้ใช่ไหมครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เลือนที่สุดที่ประเสริฐที่สุดถ้าเรามสามารถบรรลุทำได้ ในภพภูม er ิอื่นที่ทไม่ใช่มนุษย์จะสามารถรักษาศีลได้หรือไม่ ค, ครับก็แล้วแต่ว่าเราไปอยู่ในภพภูมิไหนถ้าเราไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นอาบายนี่เราก็ไม่รักษาศีลกันเพราะเหตุที่ไปเกิดในอาบายก็ว่าไม่มีศีลกันถี่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็อยู่กันแบบไม่มีศีลแต่คนที่มีศีลเขาก็จะไปเกิดในใน ในสวรรค์กันเป็นมนุษย์กั น, นมนุษย์ก็มักจะรักษาศีลกันเป็นส่วนใหญ่เทวดาเขาก็มีศีลของเขาอยู่บริจาคเงินแล้วเขาเอาเงินเราไปทําอย่างอื่นอย่างนี้เรายังได้บุญอยู่ไหมครับได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ไปกําหนดว่าให้เขาไปทําอะไรปล่อยให้เขาไปทำทำําตามอัธยาศัยหรือ ก, กาหนดเราก็ได้บุญถ้าเราไม่ไปยึดไปถื อ, อถือว่าให้ไปรับก็ให้ไปเลย เราหาเงินเก็บเงินด้วยความประหยัดไม่ใช้จ่ายแต่พอแก้ตัวอดให้ลูกหลานไม่ได้ทางทางที่เขาใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยอย่างนี้เป็นกรรมหรือเปล่าครับคุณตาเป็นยังไงถึงเป็นกรรมือเปเป็นกรรมที่จะต้องมาเลี้ยงลูกหลานนี้เลยเก็บเงินไว้เพื่ออามาเลี้ยงคนอื่นเนี่ยถ้ามองว่าเป็นกรรมก็ได้มองว่าเป็นบุญก็ได้มาเป็นการทาบุญไป ถ้าเป็นกรรมเพะเราไม่อยากจะเสียแต่เราต้องเสียสจับใจเสียอย่างนี้มันก็เป็นกรรมได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นการทําบุญให้เขาไปแล้วให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขขึ้นอันนี้ก็เป็นก็จะเป็นบุญขึ้นมาจะเป็นบุญแล้วเป็นบาปอยู่ที่การมองของเราว่าเรามองแบบไหนเราจะแก้ความเบือ่อหน่ายได้อย่างไรครับทําใจสงบจะแก้ได้อย่างแน่นอน ใจสงบแล้วใจจะไม่รู้สึกเมื่อนายกับอะไรผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงินแล้วคิดแบบเบีย้ยแบบนี้เป็นสัมมาชีวะไหมครับเนื่องจากคนใกล้ชิดไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีพแบบนี้ครับเช่นธนาคารเขาก็หวกู้เหมือนกันถ้าไม่ถ้าเป็นวิชาอาชีพวันนี้ธนาคารก็ถูกปิดหมดนะครับ เวลาจะนั่งสมาธิต้องสวดมวนต์ทุกครั้งไหมครับแล้วแต่บางคนนั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดบางคนจิตยังคิดมากอยู่ยังฟุ้งอยู่ก็ต้องอาศัยการสวดมวนต์ลดความฟุ้งไว้ก่อนเป็นกาจะมาสามารถดูลมและพุทโธได้แล้วก็ค่อยค่อยหยุดการสวดไปเปลี่ยนมาดูลมและพุทโธไปแทน ทำอย่างไรให้มีความทุกข์จากความห่วงลูกน้อยลงได้ครับก็ต้องมองว่าเขาเป็นของไม่แน่นอนไม่เท็จแน่นอนเป็นเรื่องแนงเขาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบางครับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาได้เสมอไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีงสิ่งที่เราทาได้ก็เราเตรียมตัวเตรียมใจแล้ ว, ว, วก็เห็นการที่จะเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ไม่ชอบพระที่วัดนั้นแต่เราทำกับข้าวฝากไปทำบุญอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ทำไมต้องไปชอบเขาด้วยแต่ก็ยังไปทำบุญนะครับพระอาจารย์บุญมันอยู่ที่การให้ถ้าเราให้เราก็ได้บุญจะให้คนที่เราชอบหรือไม่ชอบเราก็ได้บุญเหมือนกัน หากคนที่จะบวชมีเชื้อเอ v ไอวสมัยนี้บวชได้ไมครับแต่ต้องกินยาต้านทุกวันครับอันนี้นะ่าแต่ว่าเพราะเดี๋ยวนี้คนไปบวชเก็จะให้ไปตรวจตรวจโรค ก, ก่อนถ้ามีโรครคแพร่เชื้อได้เขาคงจะไม่ให้บวชมากกว่าถ้างนั้นถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่จาเป็นจะต้องให้ไปตรวจโรค ก, กันเดี๋ยวนี้มีต้องตรวจสองอย่างคือตรวจโรคอย่างหนึ่งแล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรรม พอมีประวัติอาชญากรรมมีคดีติดตัวหรือไม่อะไรเป็นต้นอย่นี้ให้มายืนยันว่าปลอดจากอาชญาให้ทางตำรวจรับรองและให้ทางอัยการรับรองว่าคนนี้ปลอดปลอดจากโกรคกว่าจากเรื่องของอาชญากรรมเ ข, ขาเขาจะโยบุตรให้ได้ถ้าในยามชาราอยู่คนเดียวไม่สบายดูแลตัวเองไม่ได้จะต้องใช้ธรรมะอะไรครับก็เตรียมตัวตายนะ ซึ่งควรจะทำตั้งแต่ยังไม่ชราพระเจ้าสอนให้ถ้าเตรียมตัวตายตั้งแต่ตั้งแต่จะทราบความได้เลยให้เราเล่าถึงความตายเื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ต้องป้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้เราหัดทําใจไว้วัในใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะต้องตายถ้าต้องอยู่แบบไม่มีใครดูแลเราก็จะได้ทําใจไม่ทุกข์กับมันได้ เหตุใดเมื่อเราเข้าใจความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งในโลกนี้เราจึงรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกเบื่อไปหมดครับอาจารย์ก็เหมือนกับเราอยู่ที่เราไม่มีความสุขที่ไหนที่ไม่มีความสุขล้วก็ไม่อยากจะอยู่ที่ตรงนั้นเราก็อยากจะไปอยู่ที่ที่มันมีความสุขเม่เาห็นว่าโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์เราก็จะไม่อยากจะอยู่แล้วก็เบื่อ ตอนพระอาจารย์บวชอยู่ที่บ้านตาต้องกินอาหารที่ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าลําบากกว่าตอนเป็นคารวาสพระอาจารย์ละตัวตนของการเป็นเด็กนักเรียนนอกวิศวะอเมริกาได้อย่างไรครับเพราะเราลำบากตั้งแต่อยู่ที่อเมริกามาแล้วตอนั้นมันไม่พอกินอาหารสามมื้อกินได้แค่วันลอมือ้อเนื่องจากเพระมันอดแล้วมันอะไรก็กินได้ทั้งนั้เวลามันหิวขึ้นมาดังนั้นการกินอาหารไม่ค่อมีปัญหากับเราเท่าไหร่ ก็เคยอยู่แบบอดๆอย่างๆมาแล้วกินวันละมืออยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเงินไม่พอมีเงินพอซื้ออาหารได้วันละมือเท่านั้นเองจนทนไม่ไหวแล้วก็ต้องไปสมัครเป็นคนร้างชาในร้านอาหารพอเป็นคนร้างชาในร้านอาหารก็มีอาหารฟรีกินนี่กินสามมือชอบเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงให้ใช่ไหมครับใช่เขาเลี้ยงให้ให้กินก่อนจะเข้าทํางานก็าให้กินก่อน นล้วทำงานไปครึ่งครึ่งหนึ่งก็ให้พักกินอีกมือหนึ่งแล้วเวลาเลิกก็ให้กินอีกมือหนึ่งก็ได้ถ้าอยากจะกินให้กินทั้งสามมือเลยน้องชายชอบพูดจามไม่ดีทำนิสัยไม่ดีใส่สั่งสอนไม่ได้ต้องด่าสวนกลับทุกครั้งทั้งกับแม่และกับเราตั้งแที่เราช่วยเขามาตลอดเราจะตัดเขาเออกไปจากชีวิตได้ไหมครับ ไม่ต้องตัดนะเราก็อยู่เฉยๆไปไปล่อยก็อยู่ตามเนื้อของเขาไปต่างคนต่างอยู่กันไปก็ถ้าเราตัดเขาแล้วนะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาการถือศีลแปดนั้นเรานอนฟูกบางหนึ่งนิ้วแต่แต่วางอยู่บนเตียงเล็กๆได้ไหมครับไม่อยากนอนบนพื้นครับได้จะนอนบนเตียงก็ได้จะนอนกับเพื่อนก็ได้ การที่มีฟูกบางๆนี่ก็จะถือว่าเป็นการป้องกันอากาศที่หนาวเย็นที่มีอยู่กับพื้นก็ได้จะทำอย่างไรให้มีความอดทนมากครับก็ต้องพยายามไปหาความทุกข์ยากลำบากฝึกให้อยู่กับความทุกข์ยากลาบากอยู่เรื่อยๆแล้วความอดทนมันก็จะมีเพิ่มมาก ข, ขึ้นมาเองเช่น้องกิน้นองลองมัดกินอาหารเย็นดู เช่นวันนี้มันพระเรามาถือศีลแปดงดกินอาหารเย็นอยู่อันนี้ก็เป็นการฝึกความอดทนในระดับหนึ่งอย่ า, อ ย, าอยู่แบบสุขสบายมากจนเกินไปเพราะมันจะไม่มีความอดทนมันไม่มีอะไรต้องมาอดทนด้วยแต่ถ้าต้องอยู่กับความทุกข์ยากลำบากมันก็จะทําให้เราต้องมีความอดทนถึงจะอยู่กับมันได้ เวลาที่ครูบาอาจารย์สอนสิทธิ์มีคําพูดว่าสอนกันได้ทรมานกันได้ทําไมจึงใช้คําว่าทรมานกันได้ครับคืออาจารย์ทรมานกิเลสของลูกศิษย์แล้วกิเลสสิทธิน้อยลงใช่ไหมครับก็ในลักษณะนั้นนะก็ทรมานกิเลสคือกิเลสมันมันชอบความสุขไงเราก็ต้องให้มันทุกข์บ้างก็ทําทำทรมานมันทําให้มันทุกข์ก็จะได้มีปัญญาแบบ วิธีแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องเจอกับความยากลำบากต่างๆการเข้าฌานได้ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรหรือครับอันนี้มันจะจิตจะเบาจะเย็นจะสบายเหมือนเวลาที่เราอยู่ข้างนอกบ้านที่มันร้อนอยู่แล้วแล้วพอเราเข้าไปในห้องประการที่มันเย็นมันก็จะรู้สึกมีความต่างนั้นในลักษณะอย่างนั้นอีกคือจะเงียบลง ขณะที่จิตมันยังไม่สงบมันวุ่นวายใจมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเหมือนมีเสียงอยู่ตลอดเวลาพอเราจิตมันสงบมันหยุดคิดอยุดอะไรขึ้นมาเสียงต่างๆในใจก็หายไปหมดมันก็เงียบเหมือนจิตจากการที่เราเข้าห้องแอร์อยู่ข้างนอกเรามีเสียงกระทึกกระโขงพอเราเข้าห้องแอร์ปั๊บเสียงต่างๆก็ไม่เข้ามาแล้วความเย็นความรอนที่ข้างนอกก็ไม่เข้ามามีแต่ความเย็นก็แบบในลักษณะแบบนี้ แมวไม่สบายแต่ว่าไม่มีเงินจะพาไปหาหมอแบบนี้เป็นบาปหรือเปล่าครับไม่บาปทำบุญกับพระที่ทุจริตได้บุญไหมครับได้แต่ไม่ควรทำถ้ารู้ว่าเขาทุจริตเราก็อย่าไปทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนทำบาปแต่ถ้าเราทำไปโดยไม่รู้ว่เาเขาเขาเป็นคนทุจริตเราเราก็ได้บุญทำกุ น, นะก็ยังได้บุญเล ย, ยไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้ทั้งนั้น จะควรจะทําหรือไม่นั่นเองต้องดูที่เหตุผลครับขออุบายแนวทางปฏิบัติเพื่อความคุมการราคะในขณะตือศิลปดนอกจากการพิจารณาสุภามีอุบายไหนอีกไหมครับที่พระท่านใช้กันการผ่อนอาหารมีส่วนช่วยไหมครับอาจารย์ก็ช่วยได้การตือศิลป์แปดก็ผ่อนอาหารไปในตัวอยู่แล้วคือกินอาหารน้อยลงจากสมื้อกันเลยแค่สองมือ้อหรือมื้อเดียว เพาะนั่งกายมันมีความผิวทางอาหา ร, ม, าหารมันก็จะคิดถึงเรื่องอาหารมากกว่าจะคิดถึงเรื่องกามมากกว่าส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งบางทีมันก็ยังคิดถึงเรื่องกลามได้ก็ต้องใช้อสุภาพิจรารณาอาการฐานสิบสองไปเรื่อยๆท่องอาการฐานสองไปก่อนก็นได้พร้อมก่อนเนืังหนังเนืเอเนกระดูกนั่นนับถึงภาพอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยลดความความอยากในกลามได้ มีคนมาจีบแล้วคุยหลายคนอย่างนี้ผิดศีลไหมครับถ้าเรายังไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็เราก็ยังคุยกับใครก็ได้ถ้าไม่มีการร่วมเพศกั น, นถ้ายัางถ้าร่วมเพศถ้ายัางไม่ได้เป็นคู่ครองกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอันนี้ก็ถือว่าประพฤตผิดในกลางคลายหวยใต้ดินเป็นสิ่งเป็นสามมาอาชีพไหมครับ มันก็เป็นอบายยมุกอย่างหนึ่งแต่ไม่มันก็มันก็เป็นอาชีพที่ไม่นควรจะทำเพราะศอกเสียไม่นควรติดอบายยมุกห้าบายยมุกการ จ, จะทำให้เขาล่งจมเสียหายได้เคยมีโอกาสไปกราบหลวงปู่เชอรี่ท่านสอนว่าพระเนนอยู่ในใจเข้าใจเองว่าเราสามารถปฏิบัติเองให้ได้เข้าใจถูกไหมครับใช่ก็ใจนี่แหละที่จะเป็นพระเป็นเนง เ, เป็นเป็นแชีเป็นอะไร ไม่ได้ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไปอยู่วัดก็ไม่ได้เป็นว่าจะเป็นพระขึ้นม า, ม, าม้ามาอยู่วัดมันก็ไม่ได้เป็นพระขึ้นมาอยู่ที่ใจใจรักษาสีได้าแล้วปะถ้ารักษาสีได้ก็เป็นพระไนะจิตอยู่ที่โลกทิพย์ที่พระอาจารย์เคยกล่าวไว้ไม่ทราบความหมายว่าคืออะไรครับมันไม่ได้อยู่ในโลกที่ร่างกายเราอยู่ไม่ก็อยู่บนโลกพระอาจารย์ ร่างกายเราอยู่ในโลกนี้แต่จิตมันอยู่ที่นอกกัจจันทร์แล้วมันสื่อสารกันด้วยการส่งกระแสมามามาติดต่อกับร่างกายจิตรับรูปเสียงกินรสจากร่างกายทางตาหูจมูกลิ้วกายแล้วจิตก็ส่งคําสั่งมาพผ่า์ความสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วก า, าให้ร่างกายเคลื่อนไหทวทำอะไรแล้วก็สั่งด้วยความคิดใช่ไหมลุกขึ้นยืนนัง่นงนองนอะไรต่างๆอันนี้ก็จิตเป็นผู้สัง่ง แต่จิตไม่ได้อยู่ในร่างกายใช้กระแสของความคิดนี้ส่งมาที่ร่างกายให้ทําตามคําสั่งแล้วจิตก็รับรูปเสียงกินอกจากร่างกายไปอีกทีหนึง่งก็เหมือนสมัยสมัยนี้ที่ก็ส่งยานอวกาศไปสํารวจโลกอื่นเนี้ยเขาก็มีติดตั้งกล้องติดเื่อตั้งอะไรต่างๆไว้สามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้ทางทางผู้ที่อยู่ทางในโลกนี้นอกทราบได้ก็เป็นในลักษณะแบบนี้ อยู่คนละโลกกันอยู่นเนี่ยคนละสถานที่กันแต่สามารถติดต่อสั่งการได้เหมือนกับอยู่ที่เดียวกันก่อนจะนั่งสมาธิต้องกล่าวอะไรก่อนไหมครับแล้วแต่บางคนก็นึกถึง พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนก็ได้มองคนก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการไหว้ครูเลยขึ้นกระชกเลยก็ได้อนนี้แล้วแต่การพอพอใจ ครูบาอาจารย์บางแห่งนั่งว่าให้ให้เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่อะไรก็ว่าไปบางคนนั่งสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วแต่ทำอย่างไรเรียกเปลี่ยนภพภูมิให้วิญญาณครับยุทธิกมยุทธิกากรรมรถ้าเราต้องการเปลี่ยนภพภูมิถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปเกิดในอาบายเราก็อย่าทําบา ถ้าเราอยากจะเกิดเป็นเทวดาเราก็ทําไม่ทํำบาปแล้วก็ทําบุญ ด, ด้วย ต, ต้องทำสองอย่างเราก็จะได้ไปเป็นเทวดาถ้าเราอย า, อยากจะไปเป็นพรหมเราก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้แล้วถ้าเราอยากจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหรันเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติปัญญาขั้นหนึ่งต่อจากการเป็นพระรหมคือถือศีลแปดแล้วนั่งสมาธิได้นะ เราก็ต้อมาเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ดนั้นเราก็จะสามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ยิ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นยิ่งเจอทุกข์มากขึ้นแต่ก็เฉยไม่ได้เดือดร้อนเหมือนตอนไม่เคยปฏิบัติเจอทุกข์แบบติดต่อกันมาสองปีเลยครับกราบขอบคุณบุญกุศลที่พระอาจารย์ที่มาเจอพระอาจารย์แล้วทําไม่รู้ว่าจะอยู่กับทุกข์แบบไหนครับ สมัยก่อนพระที่วัดป่าบ้านตาดไม่สบายไปรักษาที่โรงพยาบาลไหมครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำอย่างไรครับก็แต่อมองว่ามันหนักหรือไม่หนักนะถ้ามันไม่หนักขอที่รักษาด้วยธรรมะอสุนได้ท่านก็รักษากันไปเข้าสมาธิกันไปถ้ามันหนักไม่สามารถใช้ธรรมะอสุนรักษามันได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลก็มี ชวนคุณป้าไปใส่บาตรฟังธรรมพระอาจารย์เพื่อให้ท่านมีโอกาสทําบุญและเริ่มปฏิบัติธรรมขึ้นต้นกับพระอาจารย์ได้โดยไม่บังคับท่านทําเช่นนี้ได้บุญเหมือนการทําทานไหมครับ ก, เกรร็เป็นการให้ธรรมะท่านเป็นการให้ธรรมะธรรมทานให้ท่านได้สบายกับธรรมปัจจุบันหนูเป็นเสาลัง เ <c oughs> สาหลักของครอบครัวคุณแม่ชอบพูดเรื่อยว่าตัวเองเป็นปลิงเป็นภาระล่าสุดบอกว่าอุ้มท้องหนูแค่เก้าเดือนแต่หนูต้องดูแลเขาเป็นสิบปีแล้วมันนานเกินไปหนูไม่ชอบฟังอะไรแบบนี้หนูควรพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้แม่คิดมากครับอถ้าแม่ไม่อุ้มท้องเก้าเดือนหนูก็เกิดขึ้นมาไม่ได้คำสำคัญนั่นคือที่ระยะเวลาอยู่ที่ว่าทําให้เราเป็ชีวิตอยู่มาได้จนถึงวันนี้ได้หรือไม่สําคัญกว่า แล้วนอกจากก้าวเดือนแล้วออกมาแล้วต้องเี้ดูอีกไม่ใช่ออกมาแล้วจะไม่เลี้ยงดูที่ไหนใช่ไหมตรงนี้ยงดูไปจะ ก, กว่าจะต่อขึ้นมาช่วยตัวเองได้ถึงจะเริ่มเลียงดูได้ตอนที่จิตเราฟุ้งซ่านมากๆมีโทสะมีอารมณ์ฉุนเฉียวดับด้วยการนั่งสมาธิได้หรือไม่อย่างไรครับไถ้าเราเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปทันที กับเรียนถามท่านพาจารย์ครับเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรมครั้งแรกตอนปี2551ลาออกจากงานผิดหวังในชีวิตมีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล8สมัยนั้นพักแถวกุฏิพระคุณแม่จันดีโรหิต ด, ดีสมัยนั้นไม่ใช้ไฟฟ้าและตอนไปบวชทำงานครัวกวาดลานวัดงานเยอะมากตอนนั้นเราก็จริงจังมากแต่ยังไม่รู้จากการนั่งสมาธิแต่พอไปเริ่มนั่งจาได้ว่านั่งได้ประมาณเกือบ3ชั่วโมง แล้วปวดร่างเหมือนร่างจะแตกตอนแรกได้กลิ่นเหมือนซากศพเพราะเป็นคนกลัวผีเลยไม่กล้าออกจากสมาธิทั้งสวดทั้งพุโทโธจนเหมือนร่างแตกเหงื่อโชกกลัวผีมากตอนนั้นต่อมาจากนั้นต่อจากขาดไปแค่นี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งมาต่อเบิกบุญตัวเองมาใช้ก่อนมีจริงหรือไม่ครับอาจารย์ คือบุญเมถึงเวลามันจะส่งผลมันก็มาเองถ้ามันยังไม่ส่งผลมันไปเบิกไม้ไม่ได้หรอกไม่ใช่เหมือนเงินในธน า, าคารคนที่มีโชคลาภบ่อยมีคนบอกว่าใช้บุญเก่าจริงหรือไม่ครับก็เป็นการมองวิธีหนึ่งก็ได้แต่ความจริงไม่รู้ว่ามันเป็นบุญเก่าหรือเป็นจังหวะก็ได้ ครับถามพระอาจารย์ครับทุกคนมีเทวดาประจําตัวอยู่ตลอดจริงไหมครับไม่จริงหรอกบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีหนึ่งในนิสัยของคนที่มีความเมตตาก็คือจะมีเทวดาดูแลรักษาถ้าไม่มีความเมตตาเทวดาไม่ก็ชอบมาดูแลถ้าเป็นคนที่โอดร้ายทารุณเห็นแก่ตัวอย่างนี้เทวดาไม่ชอบมารักษาคนแบบนี้แล้วเป็นคนเสียสละทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น เทวดาก็าอยากจะมาช่วยรักษาดูแลคนแบบนี้ให้อยู่ไปทำหน้าที่ต่อไปได้ไดนานๆอาชีพในทางโลกอย่างเช่นเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างนี้ถือว่าได้ทำบุญอยู่ตลอดไหยครับเนื่องจากอาชีพช่วยคนหมู่มากครับก็ได้ถต่ ว, ว่าเป็นการทำบุญด้วย กับนมัสการขอพระอาจารย์ให้วิธีคิดหรือทำใจจากแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแม่คนเดียวแล้วเสียไปแล้วครับออทุกอย่างเป็นนิจจงทุกครัหน้าตามีกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถไปห้ามมันได้เวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดา ถ้าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าอย่างนี้รู้สึกว่าไม่แฟร์เลยครับเพราะว่าชาตินี้ทำแต่คุนงามความดีครับอาจารย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อมาใช้กรรมเก่าเราเกิดมาเพราะเรามีความอยากอยากจะเสงรูปเสียงกิก่นวันมันทึงเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดถ้าเราอยากไม่อยากจะมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่า ง, างให้หมดไปจากใจ การทำจิตตานุปัสสนาเห็นไตรักโดยไม่ทำกา ย, ยานุปัสสนาจันละสังโยชน์สามข้อแรกเป็นโสดาบันได้ไหมครับมีบางสำนักสอนว่าหากดูจิตไม่ได้ให้ดูกายแต่ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเลยเป็นทางปฏิบัติรัดสั้นกว่าครับมันคนโจทย์วเนี่ยสังโยชน์เรามีสิบข้อด้วยกันสังโยชน์สามข้อแรกนี้ต้องดูกายอีกสองข้อมันก็ต้องดูกายเหมือนกัน แล้วสังโยชน์ที่เหลือห้าข้อนี่ต่างหากที่จะต้องดูจิตถึงจะละสังโยชน์ข้อห้าได้ห้าข้อสุดท้ายได้แต่ห้าข้อแรกนี้ต้องดูกายเป็นหลักโสอนดาบันก็ดูเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของเรื่องกายดูความทุกข์ของของเวทนาแล้วก็พอขั้นที่สี่พอเป็นพระ อ, อนาคามีก็ต้องดูเรื่องอสุภะดูว่าร่างกายไม่เฉยไม่งาม ก็จะได้ละ ก, การมาลาคาเด้โวยการดูจิตนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นของพระอาหารหันต์แต่ต้องผ่านขั้นโสดาบันขั้นสกิรดาคา้าพระอนาคาคาไปก่อนเมือนกับการเรียนเรียนป ร, ริญญานี้ต้องเป็นเปลี่ยนต้องผ่านขั้นตีไปก่อนถึงจะไปเรียนโทได้อยากโทห ร, รือไปเรียนเอกได้ เราโอนเงินทำบุญถวายอาหารพระได้บุญเหมือนกับการใส่บาตรไหมครับได้เหมือนกันจริงไหมครับอาจารย์ถ้าเราไปอินเดียเมืองที่พระเจ้าประสูตรเราจะได้พลังจากท่านถ้าทำสมาธิได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับบางก็ก็เป็นอย่างนั้นนะบางคกอ็อยู่ที่นี่แนละ้วมันปฏิบัติไม่ได้เรื่กงหลย พอไปนั่งที่พุทธคยาแล้วสึกว่าพลังมันมาจากไงนก็ไม่รู้อืบางคนก็ติดต้องไปบ่อยๆสถานที่ก็มีส่วนเเป็นส่วนที่จะทําให้การปฏิบัติเราดีและไม่ดีก็ได้ที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะนี่มมีหลายข้อในกันหนึ่งสถานที่สัปปายะที่เอื้อต่อการปฏิบัติเบุคคลสัปปายะคนที่เราไปอยู่ด้วยเขาเอือในการปฏิบัติเราหรือไม่ อาหารสปรายะอาหารที่เรากินในสถานที่เหล่า น, นั้นเป็นอาหารที่ถูกกับเราเหรือไม่เป็นต้นอากาศสปายะอากาศถูกเหมาะสมกับเราเหรือไม่เป็นต้นนี่คือสปายะคือความสบายสปายะแปลว่าความสบายของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่กับอาหารเป็นต้น คุณแม่ดูข่าวมากครับแล้วหมดศรัทธาไม่อยากจะทําบุญจะมีวิธีปรับความเห็นในคุณแม่ได้อย่างไรบ้างไหมครับก็ให้คุณแม่หยุดทํํา ท, ท, ท, ทาบุญเรื่ดูเรื่องดีๆมากดูเรื่องของพระพุทธเจ้าดูเรื่องของพระสงฆ์เจ้าที่ท่านทำคุณางามความดีก็มีอยู่เยอะแยะจริงหรือไม่ครับที่การผิดศีลข้อสามแล้วจะทําให้ผิดศีลข้อสองและศีลข้อสี่ไปด้วยครับ ส่วนใหญ่เขาจะว่าปิดสินข้อสีมากกว่านะคือการพูดบทนะถ้าพูดบดได้แล้วมันก็จะมันก็จะทํามันก็จะปิดสินข้ออื่นได้ลูกมีอาการเข้าข่ายโรคมะเร็งครับแต่ลูกไม่ได้กลัวตายได้แต่ฝากฝังว่าตายเช้าผ่าเย็นตายเย็นเออ๋อตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าเพื่อนบอกว่าลูกเข้าข่ายค่าตัวตายจริงไหมครับ ไม่จริงหรอล้วไม่ได้สั่งให้ฆ่าร่างกายนะเพีแต่ให้จัดการกับร่างกายเวลาที่มันถึงเวลาถ้ามันถ้ามันตายแล้วก็เพาตอนไหนก็ไม่ไเป็นการฆ่าตัวตายแล้วเพราะมันมันตายไปแล้วจะไปฆ่าตัวตายได้อย่างไงอาชีพหมอนวดช่วยคนได้บุญไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่ง คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเวลาปฏิบัติยุงมารบกวนท่านทําอย่างไรกันครับโยมทากันยุงแต่เขากัดดุกันมากเรื่องดักยุงคุณแม่ชีไม่ให้ใช้ท่านบอกว่าบาปครับอาจารย์ก็นั่งในมุงเลยกลางมุง้งพระที่ไปชุดลงท่านก็ยังมีมุงกลางอยู่ไม่ใช่ท่านจะนั่งแบบไม่มีอะไรป้องกันก็ต้องมีการป้องกันพระทีลงเวลาท่านไปแบบกดไปนีท่านมีมุงติดไปกับกดด้วย เวลานั่สมาธิถ้าการกดคือการร่มแล้วก็มีมุ้งค่อยลงมาจากจากจากจาร่มอีกทีหนึ่งก็เป็นการป้องกันได้ถ้านั่งในกุฏิก็เหมือนกันถ้าไม่มีมุ้งม้อยเขาก็ต้องการการกดกันสมัยอยู่ที่บ้านศาลนี้กุฏิไม่มีมุ้งม้อยก็เลยต้องการกดในกุฏิครัข อ, อการ์ครับพระจักรครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ 527ใน You 615ในคลับเจ็ดใน TikTok 493ครับรวม 1,642 คนครับวันนี้อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา5นาทีครับอาจารย์ตอบไป117คำถามครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมถามตอบคำถามต่าง ๆ, ๆหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และนำออนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป การสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรเกิดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดใช่ทุถ้ามมีเหตุการณ์ขั้อันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกัขบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ